วันนี้เป็นวันเสาร์ที่31อธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปีเป็นวันที่เราจะได้มาทำการทบทวน ถึงเหตุการณ์การกระทาต่างๆที่เราได้กระทากันในปีในปีนี้ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างเพราะว่าการกระทาของเหล่านี้เป็นเหตุ <c oughs> ที่จะส่งผล <c oughs> ดีหรือผลเสียให้แก่ชีวิตจิตใจ ของพวกเราการกระทานี้ที่ส่งผลดีให้กับจิตใจของเราเราก็เรียกว่าบุญการกระทาที่ส่งผลเสียให้แก่จิตใจของพวกเราเราก็เรียกว่าบาปนี่คือการกระทาที่จะทำให้เกิดผลคือ ถ้าเป็นผลดีก็ทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นถ้าทำบาปก็จะมีผลเสียให้แก่ใจของพวกเราก็จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นและก็เสื่อมลงมากขึ้น อยู่ที่การกระทำของเราเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถมาลิขิตชีวิตจิตใจของพวกเราให้ดีขึ้นหรือให้เลวลงได้นอกจากการกระทาของพวกเราก็คือการกระทำบุญและการกระทำบาปนี่เองเราจึงต้อง มาทบทวนดูว่าในปีที่ผ่านมานี้เราได้ทำอะไรมากน้อยกว่ากันเปรียบเหมือนกับบริษัทที่มีการทำมาค้าขายพอถึงเวลาสิ้นปีก็ต้องมาตรวจสอบบัญชีดูมาสรุปว่าในปีนี้กำไรหรือขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่าย ก็จะได้กำไรถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็จะต้องขาดทุนขาดทุนก็จะทำให้เรานี้ต้องนำบาถ้ากำไรก็จะทำให้บริษัทเจริญนุ่งเหลืองอยู่ต่อไปได้ชีวิตของพวกเราคือจิตใจของพวกเรานี้ก็เช่นเดียวกัน ใจิตใจของพวกเรานี้จะขึ้นสูงหรือจะลงต่ําจะได้กําไรหรือจะขาดทุนก็อยู่ที่บัญชีบุญบัญชีบาป ท, ที่พวกเราได้กระทําไว้บุญกับบาปนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจดจํามันได้หรือบ <c oughs> ันทึกมันไว้ได้แต่มันมีอยู่ในใจของ มันจะถูกบันทึกทุกครั้งที่เราทําบุญหรือทําบาปภายในใจและมันก็จะส่งผลให้กับใจเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปเวลาเราทําบุญใจของเราก็จะมีความสุขใจของเราก็จะขยับสูงขึ้นจากสถานภาพที่เราเป็นอยู่ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมาและสถานะภาพของใจเราก็จะลดต่ำลงไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกครั้งที่มีการกระทําบุญหรือกระทําบาปบุญและบาปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคู่ต่อสู้กัน เหมือนกับรายรับกับรายจ่ายที่จะส่งผลให้กับใจให้ใจของเรานี้ดีขึ้นเรือเร็วลงเหมือนกับบริษัทที่ต้องดูรายรับรายจ่ายถ้ารายรับมีมากกว่ารายจ่ายบริษัทก็จะได้กำไรถ้ารายจ่าย มีมากกว่ารายรับบริษัทก็จะขาดทุนจะล่มจมถ้าไม่ถ้าไม่ตัดการขาดทุนลงให้ได้ถ้าไม่ทําให้บริษัทกําไรถ้ามีแต่การขาดทุนอยู่ต่อไปไม่นานบริษัทก็จะต้องล่มจมจะต้องไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้เพราะมีแต่นี่สินและไม่มีรายรับที่มาจะมาจ่าย ค่าใช้จ่ายค่านี้ศินต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะดําเนินกิจการต่อไปได้ใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันใจของพวกเรานี้มีการทําบุญทําบาปสลับกันไปอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรากําลังทําบุญหรือทําบาปกันก็จะ อธิบายให้ฟังว่าการทำบุญคืออะไรการทำบุญก็คือการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเช่นเวลาเราบริจาคเงินให้กับผู้ใดผู้หนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าเป็นการการะทำบุญ ในทางตรงกันข้ามการกระทำบาปก็คือการกระทำที่เกิดโทษเกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นเช่นเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เขาเสียประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำบาปเวลาเราทำบุญไปแล้วเมื่อทำบาปไปแล้ว สิ่งที่เราจะได้มีความผลที่เราจะได้รับทันทีก็คือความรู้สึกภายในใจของเราเวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจเวลาเราทำบาปแล้วเราจะรู้สึกมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจต่างๆนาน า, นานานี่แหละคือสิ่งที่เรา ก็ทํากันที่จะส่งผลให้แก่จิตใจของพวกเราที่จะสะสมอยู่ในใจของพวกเราและจะมาส่งผลโดยสรุปตอนที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้ว <c oughs> เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี่บุญและบาปที่เราได้ทำไวน้นี้ก็จะมาเปรียบเทียบกาลังกัน ดูว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่จะดึงจิตใจให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆในทางตรงกันข้ามถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงจิตใจให้ลงไปสู่อบายชั้นต่างๆ ช่วงที่เราไม่มีร่างกายจิตใจของพวกเรานี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเป็นกายทิพย์ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันมาร่วมกันเ่อมอยู่ด้วยกันตอนที่มีการสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาในท้องแม่พอมีร่างกายปรากฏขึ้นมาใจที่เป็นกายที่ ก็ส่งกระแสที่เรียกว่าวิญญาณผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับอายาตนาของร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกยลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆแล้วให้ใจผู้ที่มามาเกาะติดกับร่างกายนี้ ได้เสษได้สัมผัสเพราะใจนี้ต้องการเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพธชชนิดต่างๆเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับใจนั่นเองใจกับร่างกายจึงต้องมาร่วมร่วมกันมาทำหน้าที่ให้กับใจร่างกายเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้ใจ คอยรับรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้ชนิดต่างๆที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้ววิญญาณของใจก็จะมารับรูปเสียงกลิ่นรสนี้ส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายโลกของร่างกายที่เราเห็นกันอยู่นี้เราเรียกว่าโลกกระธาตุโลกที่ทำจากธาตุสี่ คือดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์โลกที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่มีใจเพราะว่าเรามีผู้รู้ผู้คิดคือใจนีเ้เวลาที่ร่างกายเห็นรูปเนี่ยร่างกายไม่รู้ว่าตัวเองได้เห็นรูปเนี่ย แต่ตัวที่รู้ว่าเห็นรูปนี้คือใจแล้วเมื่อเห็นแล้วใจก็คิดต่อถ้าเห็นรูปที่ชอบก็จะสั่งให้ร่างกายไปเอามาครอบของไปซื้อมาหรือไปขอมาหรือไปหยิบมาแล้วแต่ที่จะสามารถกระทาได้ร่างกายไม่สามารถทำอะไรเองได้ร่างกายต้องรอรับคําสั่งของใจ ใจเป็นผู้สั่งให้กระทําใจเห็นอะไรชอบอะไรก็จะสั่งให้ร่างกายไปทำไปหยิบไปเอามาให้กับใจและการไปหยิบไปเอามาให้กับใจนี้ก็อาจจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อต่อใจได้ถ้าไปเอามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปลักขโมย ของผู้อื่นเขามาแทนที่จะไปซื้อแต่เราไม่มีเงินซื้อเราก็ไปลักขโมยมาพอเราไปลักขโมยมาเราก็ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเจ้าของของที่เราไปลักขโมยมามันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจให้กับเจ้าของที่ต้องสูญเสียของที่เขารักเขาห่วงไป ใจก็ได้ของมาแต่ใจก็เกิดได้ความทุกข์ใจมาด้วยเพราะว่าเมื่อทำอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องรู้ว่าเกิดความเสียหายและรู้ว่าจะมีโทษตามมาเพราะเวลาที่เราไปลักขโมยของของผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะต้องตามมาเอาของคืนให้ได้โดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเราก็จะเกิดมีความ ไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไปซื้อของมาโดยที่ไม่ต้องไปขโมยเขามาเอาเงินจ่ายให้เขาเจ้าของเขาก็ไม่ได้เสียประโยชน์ไม่ได้เกิดโทษกับตัวเจ้าของขอ ง, ของเขาก็จะไม่ตามมาจับเราไปลงโทษไม่ตามมาจับเพื่อเอาของคืนเราก็จะไม่มีความรู้สึกทุกข์หรือกังวลใจแต่อย่างใดถ้าเรา กระทำด้วยวิธีที่ไม่ไม่เป็นบาปอันนี้ก็คือเรื่องของใจกับร่างกายที่มารวมตัวกันอยู่แล้วก็มาทำบุญทำบาปต่างๆการทำบุญก็เกิดจากเวลาที่เราทำงานทำการทำมาค้าขายแล้วเราได้รายได้มามากกว่า รายจ่ายมีเงินเหลือใช้เราก็บางทีเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนขาดแคลนก็อยากจะช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นเพราะความกระตันยูหรืออาจจะเป็นเพราะความเมตตาก็ได้ทั้งนั้นแต่การกระทาก็คือกระทาให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์ จากการเสียสละแบ่งปันของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแล้วใจของเราก็จะเกิดความสุขเกิดความสบายใจไม่เหมือนกับตอนที่ทำบาปต่างกันทำบาปแล้วใจจะทุกข์ใจจะกังวลใจจะร้อนทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสุขใจสบาย นี่แหละคือการกระทาที่เราได้กระทากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนไปถึงวันตายและผลของการทำบุญและการทำบาปของเรานี้จะเป็นผู้มาตัดสินในตอนที่ร่างกายของเราตายว่าดวงวิญญาณของเรานี้จะไปสู่สุขคติหรือจะไปสู่ทุกขคติ ไม่มีใครสามารถที่จะมาเป็นผู้กาหนดการไปของดวงวิญญาณของเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถมามาเป็นผู้กาหนดให้ใจของเราไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์หรือไปสู่พระนิพพาน ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าและท้านอันตสาวกนี้ไปถึงสวรรค์ไปถึงนิพพานแล้วก็ตามแต่ท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะมากำหนดดวงวิญ ญ, ญาณของพวกเราให้ไปสู่ภพไหนภูมิไหนได้เพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้กำหนดให้ดวงวิญ ญ, ญาณของพวกเรานี้ไปสู่ภพใดภพหนึ่งนี้ ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทำกันไว้นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและควรที่จะตรวจตราดูว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้จนถึงบัด น, นี้ในปีนี้เราได้ทำบุญหรือทำบาปกันมากน้อยอย่างไร วิธีที่จะดูผลว่าเราได้ทำบุญหรือทำบาปมากน้อยอย่างไรก็มีอยู่สองวิธีใหญ่ๆคือวิธีหนึ่งก็ดูที่ความรู้สึกของใจเราว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้ใจของเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือมีความทุกข์มากกว่าความสุขท่านมีใจของเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์ ก็แสดงว่าใจของเรานี้ได้ทําบุญไว้มากกว่าทําบาปถ้าใจของเรามีความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้ก็แสดงว่าใจของเรานี้ได้ทําบาสมากกว่าทําบุญอีกวิธีหนึ่งก็คือดูตอนที่เรานอ น, อนหลับเนี่ยตอนที่เราน อ, นอนหลับนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนกับตอนที่เราตายเนี่ย พราะตอนนั้นร่างกายนี้จะอยู่เฉยๆจะนอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวช่วงที่ร่างกายพักผ่อนนอนหลับหรือช่วงที่ร่างกายตายไปช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่บุญและบาปจะมาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเราเหตนั้นถ้าเราเวลาเรานอนหลับนี่ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีเป็นส่วนใหญ่ ก็แสดงว่าเรามีบุญมากกว่ามีบาปแต่ถ้าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีแสดงว่าเรามีบาปมากกว่ามีบุญอันนี้แบนวิธีที่เราจะสามารถที่จะสังเกตได้เพราะว่าเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจของเรานี้จะไม่มีสติที่จะมาคอยกำกับให้เราไปทำอะไรต่าง ได้เหมือนตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราเตื่นนี้เราสามารถกากับใจให้ไปทำบุญก็ได้ให้ไปทำบาปก็ได้แต่ตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่ร่างกายเราตายไปนี้ใจของเราจะไม่มีสติที่มีกาลังมากที่จะดึงใจให้ไปทำอะไรได้ ก็เลยต้องเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของบุญและบาปที่เราได้ทำไว้นั่นเองถ้าบุญของเราที่ได้ทำไวน้นี้มีจำนวนมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าบาปใจของเราก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีแบ่งแบ่งไว้ประมาณสามสี่ชั้นด้วยกันรัะ3ระดับด้วยกัน คือระดับแรกระดับของเทพไปเป็นเทวดาเทวดานี้ก็แบ่งเป็นชั้นต่างๆมีถึง6ชั้นด้วยกันชั้นดุสิตชั้น อ, อะไรต่างๆนี่ก็เป็นปริมาณของความบุญที่ได้ทำไว้ทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ที่มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับแล้วนอกจากสวรรค์ชั้นเทพแล้วยังมีสวรรค์ที่สูงกว่าอีก ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหมการที่เราจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้เราก็ต้องมีการปฏิบัติที่เรียกว่าส ม, มถะภาวนาการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้เป็นสติที่ต่อเ น, นื่องเรียกว่าสติสัมปะชัญญาถ้ามีสติสัมปะชัญญาเวลาที่เรานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกก็ดี หรือบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีใจเราก็จะเข้าสู่สมาธิคือเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆฌานนี้ก็มีแบ่งไว้สองระดับระดับรูปฌปานกับอารูปฌปานรูปฌปานก็มีสี่ขั้นอารูปฌานก็มีสี่ขั้นถ้าเราสามารถนั่งสมาธิเข้าสู่ขั้นรูปฌานได้ ดวงวิญญาณของเราเวลาตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทว์แล้วถ้าเราสามารถเข้าฌานในระดับอรูปฌปานได้ดวงวิญญาณของเราก็จะเข้าสู่ระดับพรมที่เรียกว่าอารูปปรมสวรรค์ชั้นอรูปปรม อันนี้เป็นเพราะว่ามีสติมีสมาธิเป็นผู้พาไปส่วนสวรรค์ชั้นเทพนี้มีการทำบุญทำทานเป็นผู้พาไปแล้วสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็มีสวรรค์อีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสวรรค์ที่ของพระอริยบุคคลสวรรค์ของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหนันต์ สวรรค์ชั้นนี้จะต้องขึ้นไปจะขึ้นต่อไปได้ต้องมีการเจริญมีการบมเพ็ญการภาวนาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสน า, ภ า, นาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตายลักษณ์นี่ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติเป็นปรากฏการทางธรรมชาติถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นของตนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะไม่มีความยึดติดกับสภาวะธรมะธรมทั้งหลายทั้งปวงพอปล่อยวางสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นร่างกายได้ ใจก็จะขึ้นสู่สวรรค์ของพระอริยบุคคลแล้วก็จะขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันต์ที่จะเข้าสู่พระนิพพานต่อไปพระนิพพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสําหรับพระอริยบุคคลนี้ท่านก็ยังมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถ้ายังไปไม่ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์เช่นพระโสดาบันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดครั้งด้วยกันขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีท่านก็จะยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหนึ่งครั้งเป็นอย่างมากส่วนขั้นที่สามคือขั้นของพระอนาคามีนี้ ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปท่านจะไปเกิดบนภพของพรหมแล้วก็จะสามารถบรรลุทำขั้นสูงสุดคือขั้นพระพระอรหันและพระนิพพานได้ต่อไปนี่คือจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนาแต่ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาได้ก็ต้อง มาขั้นของสมถะภาวนาก่อนจะข้ามขั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดขั้นที่คอยสนับสนุนก็จะก้าวขึ้นไม่ได้เหมือนกับการขึ้นบันไดการจะขึ้นบันไดก็ต้องเดินขึ้นทีละขั้นไปถึงจะสามารถขึ้นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสบายสวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นขั้นบันไดที่ผู้ที่ต้องการที่จะไปนั้น จำเป็นที่จะต้องไปจ ะ, จะต้องกระทากันเบื้องต้นก็ต้องทำขั้นของเทวดาก่อนก็คือทำบุญทำทานให้มากกว่าการทำบาปแล้วจากขั้นเทวดาก็ไปสู่ขั้นของพรหมก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิไปถือศีลไปถือศีลแปดไปออกบวชกันถึงจะสามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่ ฌานต่างขั้นต่างๆได้พอเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้แล้วขั้นต่อไปก็ให้สอนใจให้เห็นไตรลักษณ์ในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงสภาวธรรมนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและสัมผัสได้ด้วยใจนี้เองไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเรา ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ <c oughs> ที่เราไม่ควรที่จะไปยึดไปติดไปควบคุมบังคับเพราะมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับมันได้นั่นเองถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะธรรมเหล่า น, นี้ว่าเป็นตายรักเราก็จะปล่อยวาง อยู่กับมันไปตามสภาพของมันมันจะเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันจะดับก็รู้ว่ามันดับมันจะเจริญก็รู้ว่ามันเจริญมันจะเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมแต่ใจของเรานี้ไม่ต้องไปเจริญไปเสื่อมกับมันคือไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจกับมันเพราะความดีใจเสียใจนี้เป็นเหตุที่จะทําให้ใจเราทุกข์ทให้ใจเราต้องเคลื่อนไหวต้องมีการกระทาอยู่เรื่อย เพราะถ้าเราดีใจกับสิ่งใดเราก็พยายามที่จะรักษาหรือหาสิ่งนั้นมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ mm hmm. การหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มก็เป็นการทำงานของใจ mm hmm. ซึ่งเป็นการสร้างภาระสร้างความเค mm hmm. รียดความทุกข์ต่างๆให้กับใจ mm hmm. ใจจุดของของความสุขของใจนี้อยู่ที่การอยู่เฉยๆ mm hmm. การอยู่แบบที่ไม่ต้องทำอะไร เพราะว่าความสุขที่เกิดจากการไม่ทำอะไรนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันเหนือกว่าความสุขที่จะได้จากสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามหรือเป็นความสุขจากการที่มีร่างกายหรือความสุขที่ได้จากเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้มัน สู้ความสุขที่ได้จากการที่ไม่เสพอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยๆอันนี้ต้องมีวิปัสสนามีปัญญาถึงจะเข้าใจหลักนี้ได้และก่อนที่จะเข้าถึงหลักนี้ได้ก็ต้องผ่านใจที่สงบนิ่งที่มีอุเบกขาของสมาธิเป็นผู้ที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาได้นี่คือระดับ ของจิตใจความเจริญของจิตใจขั้นต่างๆซึ่งการเจริญของจิตใจนี้ก็มีแบ่งไว้สองอีกสองระดับใหญ่ๆที่เรียกละระดับโลกิยะกับะระดับโลกุตตระโลกิยาแปลว่าอะไรโลกิยะก็คือเป็นระดับจิตที่ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองติดในโลกของของอของภพทั้งสาม คือกามาพบรูปพบและอรูปพบเนะี่ยเช่นผู้ที่ทาบุญทยทานเป็นเทวดานี้ก็จะติดอยู่ในกามาพบนะผู้ที่เข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็จะไปติดอยู่ที่รูปพบและอรูปพบและพบทั้งสามนี้เป็นพบที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรคือจเจริญแล้วก็จะเสื่อมลงเช่นถ้าทาบุญทำทานแล้วตายไป ก็ได้ไปเป็นเทวดาไปรับผลบุญพอบุญที่เราได้ทําไว้หมดลงดวงวิญญาณก็จะลดลงมาสู่ระดับของมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าได้เข้าสมาธิได้เข้ารูปฌานขั้นต่างๆหรืออรูปฌานขั้นต่างๆได้ดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพแต่พอกาลังของฌานหรอสติ นั้นเสื่อมลงหมดลงดวงวิญญาณนั้นก็จะเลื่อนเลื่อนลงมาสู่สู่ภพของมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใหม่แล้วก็จะต้องกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เพราะคนที่เคยทาบุญพอกลับมาเกิดก็จะมีนิสัยชอบทำบุญติดตัวมาคนที่เคยเข้าสมาธิได้ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะกลับมาฝึกสมาธิต่อจะมาทำสมาธิต่อเนี่ยเราถึงมีคนที่แตกต่างกันระดับของการปฏิบัติของคนของพวกเรานี้มันแตกต่างกั น, กนโดยที่ไม่มีใครมาเป็นผู้กาหนดชั้นให้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของบุญของกรรมของบุญของบาป ท, ที่เราทำไว้เราเคยทาบุญมาติดเป็นนิสยัย พอเรากลับมาพบนี้ชาตินี้พอได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะมาทำบุญทำทานกันต่อถ้าเราเคยได้เข้าสมาธิในภพก่อนๆพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทำบุญเราก็จะมาเข้าสมาธิกันใหม่มาปฏิบัติไปเป็นนักบวชกันเนี่ยทำไมเราจึงมีคนทำไมบางคนเขาถึงไปบวชได้บางคนถึงไปบวชไม่ได้ บางคนไปได้ก็เพียงแต่ไปทำบุญทำทานแต่ยังไม่สามารถไปบวชได้ก็เพราะว่าชาติก่อนนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยทำมาก่อนนั่นเองยังไม่มีนิ ส, สัยในทางนี้แต่สามารถทำได้ในชาตินี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าที่สูงกว่าความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทาน เราก็สามารถที่จะบังคับใจของเราบังคับตัวเราให้ไปบวชเป็นครั้งเป็นคราวก่อนก็ได้ mm hmm. เช่นไปบวชครั้งละสามวันบ้างอย่างที่มีญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่มาอยู่วัดนี้อันนี้ก็ต้องเป็นการบังคับตัวเองว่าเราต้องไปอยู่วัดเราต้องไปถือศีลแปดเราต้องไปหัดทำสมาธินั่งทาสมาธิ เพื่อที่ใจของเราจะได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญทาทานอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้สร้างกันได้ถึงแม้ว่าในอดีตชาติเราไม่เคยทำมาก่อนและชาตินี้เราไม่มีนิสัยที่เราจะไปทำแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปต่างๆนี้ มันก็อาจจะทำให้เกิดมีแรงจูงใจอยากให้เราได้ไปลองสัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้คือถ้าเราได้รับความสุขจากการทำบุญทาทาน <c oughs> แล้วเรามาได้ฟังเทศฟังธรรมว่า <c oughs> เหนือกว่าความสุขของการทำบุญทาทานก็ยังมีอยู่จะได้ก็ต้องไปถือศีลแปดไปบวชแล้วก็ไปฝึกสมาธิไปเจริญสติ ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ถ้าใจสงบเข้าไปสู่ในฌานได้ใจก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานเพียงแต่ว่าความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธินี่ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่คือไม่ถาวรเข้าไปแล้วเดี๋ยวออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้นั้นก็หายไป ถ้าอยากจะได้ความสุขนั้นใหม่ก็ต้องเข้าสมาธิใหม่แต่ถ้าเราอยากจะให้ความสุขที่เราได้จากขั้นของสมาธินี้เป็นความสุขที่ถาวรเราก็ต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญานีเ่เพราะถ้าเราได้เข้าสู่ขั้นปัญญาเราจะสามารถที่จะรักษาความสุขสงบของขั้นสมาธินี้ไม่ให้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้จางหายไปเวลาที่เราออกจากสมาธิมา เราก็จะมีความสุขความสงบแบบถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิถ้าเรามีปัญญามวีวิปัสสนาญาณที่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาควบคุมบังคับมาสั่งให้มันเป็นไปได้วิธีที่จะปฏิบัติกับ สภาวะธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือปล่อยวางนั่นเองอย่าไปยุ่งกับเขาสัมผัสรับรู้ได้แต่อย่าไปมีความยินดียินร้ายอย่าไปมีความรักความชางังความกลัวความหลงปล่อยให้เขาเป็นอะไรของเขาไปเขาทำอะไรให้เราไม่ได้เขาทำร้ายเราไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวเขาเขาให้ความสุขแบบถาวรกับเราไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปติดให้รับรู้เฉย เช่นถ้าเราได้ลาบมาได้เงินก้อนหนึ่งมาก็อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจรับรู้ไว้เฉยๆถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนั้นก็อย่าไปใช้มันแต่ถ้าใช้ด้วยความจำเป็นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการยึดติดเป็นเป็นการใช้ด้วยเหตุผลเช่นเอามาไปซื้อของจำเป็นต่อการเลี้ยงชีพอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการสร้างสร้างความผูกพันให้กับเงินก้อนนั้น แต่ถ้าเราไปใช้ตามความอยากต่างๆอันนี้จะสร้างความผูกพันความยึดติดและเวลาเงินที่เราได้มามันหมดไปมันก็จะทำให้ใจของเราทุกข์เลยอันนี้คือเรื่องของจิตใจความเจริญของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ได้จากการทำบุญมากกว่าการทำบาป แล้วแต่ว่าเราทําบุญในระดับใดได้เท่าไหร่เราก็จะได้เท่านั้นถ้าเรายัางทําได้ในแค่ระดับทานทําบุญทำทานอยู่เราก็จะได้ระดับเทพสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตร ล, ลักษณ์เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและปล่อยวางได้ ไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดีไม่ยินร้าย<ม>เราก็จะไปสู่พานิพานต่อไปพระเมืม่อไปถึงพานิพานแล้วก็จะไม่มีวันกลับเช่น<ม>ถ้าไปเป็นขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี้จะกลับมาเกิดน้อยลงไปโสดาบันนี้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดครั้ง<ม>สกิดาคามีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวอาณาคามีก็ไม่กลับมาเกิดแล้วในภพของมนุษย์ แต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในภพของพรหมอยู่แล้วจากนั้นก็จะไปเป็นพาาาระอรหันต์ก็จะไปอยู่ที่นิพพานต่อไปอันนี้เป็นด้านบวกด้านผลดีของการที่เราได้ทําบุญมากกว่าทําบาปแต่ในด้านลบถ้าเกิดเราได้ทําบาปมากกว่าทําบุญใจของเราก็จะเสื่อมลงจากความเป็นมนุษย์เวลาที่เราตายไปร่างกายเราตายไปนี่ ใจของเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณสี่ชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าเดรลฉานถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเดรลฉานก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดลฉานมาเวลาไปเกิดได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของของแมวบ้างของสุนัขบ้างของสัตว์ต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในในโลกนี้พวกนี้ล้วนเป็นผู้ที่ไปรับผลบาป ท, ที่ตนเองได้ทำไว ทำบาบด้วยความหลงด้วยความไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าการทำบาปแม้เป็นการเลี้ยงชีพของตอนเองก็ก็เป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจพวกที่ทําบาบด้วยความไม่รู้พาอคิดว่าเป็นความจําเป็นเช่นทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของตอนเอง เป็นชาวประมงไปจับปลามาอย่างนี้หรือเป็นคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาขายเป็นอาชีพเพราะว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองคิดว่าไม่บาปเพราะาเป็นคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นอันนี้เรียกว่าทําบุญทําบาบด้วยความหลงด้วยความไม่รู้กฎของกรรมว่าไม่ว่าจะทําบาปชนิดใดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามเมื่อทําแล้วจะต้องมีผลเสียต่อ จิตใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปอยู่กับพวกที่ทําบาปโดยไม่รู้ว่าบาปก็คือพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเช่นสุนัขแมวเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมหรอกถ้าเขาอยากจะกินอะไรถ้าเราเผลอวางของไว้เดี๋ยวเขาก็คว้ามาไปกินเขาจะไม่มาถามก่อนว่าขอได้มั้ยเหร อ, อเห็นแล้วปั๊บนี่พออยากกินคว้าไปเลยอันนี้ก็เพราะว่า ดวงวิญญาณเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเขาไม่รู้ว่าการทำบาปสี่ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาต้องเป็นเดรัจฉานคือการฆ่าการลักทรัพย์การลักขโมยการประพฤติผิดประเพณีพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่มีประเพณีเหมือนมนุษย์มนุษย์เวลาจะร่วมหลับนอนกันเขาจะมีคู่ครองกัน สัตว์เดรัจฉานนี้เขาจะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเจอใครที่ไหนถ้าเกิดอารมณ์เมื่อะไรเขาก็จะร่วมเพศกันหาความสุขจากกันและกันน <Yeah. S 1> จึงทําให้เขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันนผู้ที่ประพฤติผิดประเพณีนชอบมาถามด้วยว่าตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรเนี่ยแหละก็ไปเป็นสุนัขเดือนเก้านะก็เห็นสุนัขเดือนเกนะ้ามันไม่มีงานจัดงานแต่งงานนะมันไล่กัดกัน ไปดูตามบาตามผับเนียก็ไปไล่ตีกันแย่งแฟนกันแย่งคู่กันอันนั้นแหละคือนิสัยของเดรัจฉานทําบาปด้วยความด้วยความไม่รู้ว่ามีผลตามมาว่าจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอันนี้คืออบายขั้นที่หนึ่งอบายขั้นที่สองก็คือจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยถ้าทําบาปด้วยความโลภความอยากได้ อยากได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องไปขโม้มาเพิ่มต้องไปหลอกลวงมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆอยากจะได้เงินเยอะๆแล้วจะได้เอาไปซื้อของแพงๆเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปเล่นไอ้พวกนี้ถ้าทถ้าหาเงินมาหาทรัพย์มาได้ด้วยความโลภนี่ดวงวิญญาณดวงใจของเขานี้จะหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของความอยาก ของความโลภความโลภความอยากนี้ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับใจได้อยากได้เท่าไหร่แล้วอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นพรพอได้มาแล้วมันไม่อิ่มมันหิวมันอยากจะได้อีกแล้วเวลาไม่ได้ก็ทรมานหิวโหวยเหมือนคนอดอดอยากขาดแคลนนี่คือดวงวิญ ญ, ญาณที่สองที่เกิดจากการทําบาปด้วยความโลภส่วนดวงวิญ ญ, ญาณ ชนิดที่สามนี่คือเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความกลัวกลัวอะไรต่างๆก็เลยทําบาปเพื่อป้องกันสิ่งที่จะทําให้มาทําร้ายตนเองกลัวมดก็ฆ่ามดกลัวแมลงก็ฆ่าแมลงกลัวงูเจ้งูก็ตีงูกลัวสัตว์ชนิดไหนก็ตามหรือกลัวคนก็ได้กลัวอะไรก็ได้ที่คิดว่าจะมาทําร้ายเราเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวก่อนทําบาปด้วยความกลัว ดวงวิญญาณก็จะคอยจะมีแต่ความสะดุ้งหวาดผวาอยู่เรื่อยๆตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าอสุรกายทำบาปด้วยความกลัวแล้วดวงวิญญาณชนิดที่สี่ที่จะไปเกิดในอบายขั้นที่สี่ก็คือขั้นนรกนี่คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟัน เวลาใครทำร้ายเราแล้ ว, ลวเราต้องล้างแค้นถ้าไม่ได้ล้างแค้นล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับใจนี่จะร้อนจะจะโกรธจะแค้นเหมือนกับมีไฟนรกมาเผาใจอยู่ตลอดเวลาพวกนี้คือพวกที่ทำบาป ด, ด้วยความอาฆาตพยาบาท น, นี่นี่คือสาเหตุที่ทำไมจึงมีแบ่งอบายไว้อยู่สี่ภูมิด้วยกันสี่ชั้นด้วยกันชั้นเดรชาชั้นเปรตชั้นนสุรกายและชั้นนรก อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปด้วยสาเหตุต่างๆทำบาปด้วยความหลงทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความกลัวและทำบาปด้วยความเกลียดชังอาฆาตพยาบาทก่อเกียิก็จะพาให้ไปสู่อาบายขั้นต่างๆอาบายนี้ก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเป็นเหมือนคุกตารางที่เมื่อติดคุกเมื่อจา เมื่อใช้โทษหมดแล้วก็เขาก็จะปล่อยให้ออกมากลับมาเกิดมันเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ออกมาจากอบายกลับจากอบายมาสู่ภพของมนุษย์ก็จะมีนิสัยเก่าติดตัวมาถ้าชอบลักขโมยก็จะไปลักขโมยต่อถ้าชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อชอบเล่นการพ น, นันชอบดื่มสุรายาเมาชอบอะไรทําอะไรต่างๆที่ไม่ดีก็จะไปทําต่อ โดยที่ไม่ต้องมีใครมาชวนไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนเพราะมันเป็นเหมือนของที่ปิดอยู่เป็นนิสัยเหมือนกับเวลาที่เรามีนิสัยชอบใช้มือขวาหรือใช้มือซ้ายนี่เวลาเรามาเกิด น, นี่ไม่มีใครสอนเราใช่ว่าให้ใช้มือขวานะให้ใช้มือซ้ายนะเราจะใช้มือที่เราถนัดมือที่เราเคยใช้มาก่อนแล้วเวลาเราชอบของต่างๆก็เหมือนกันไม่มีใครมาสอนให้เราชอบถ้าเราชอบสีเขียวเราก็จะชอบสีเขียว เราชอบสีแดงชอบสีดำหรือชอบสีอะไรเราก็จะชอบสีนั้นต่อไปเพราะมันเป็นของที่ฝังอยู่ในใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็จะกลับมาทำบุญทำบาปตามนิสัยเดิมต่อไปจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาอยู่กับคนที่เขามีความสามารถมากกว่าเราดีกว่าเราฉลาดกว่าเราถ้าเรามาเกิดถมเมื่อเรามีนิสัยชอบทาบา แต่เรามาเกิดในครอบครัวของที่เขาชอบทำบุญเนเขาก็จะพาเราไปทำบุญกันเช่นลูกๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาลูกเข้าวัดพาไปทำบุญไปฝึกนิสัยใหม่นิสัยเก่าไม่ให้ไปไม่ให้ไม่ให้ไปเที่ยวไปเล่นไปครรคขโมยไปทำอะไรเวลาทำผิดทำบาปก็จะคอยสอนคอยเตือนคอยลงโทษ อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนนิสัยได้จากนิสัยที่เคยชอบทำบาปกับมาเป็นนิสัยที่ชอบทาบุญได้แต่ต้องมีมีผู้คอยสอนนี่นี่นี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ถ้าอยากจะให้ให้ลูกนี้เป็นลูกที่ดีพ่อแม่มีโอกาสที่สอนได้ตอนที่เขายังเด็กยังเล็กอยู่เพราะเป็นเหมือนไม้อะไม้เวลาไม้อ่อนนี่เราดัดง่ายแต่ถ้าจะรอให้ไม้มันแข็งแล้วนี่มันดัดไม่ได้ ดัดแล้วมันจะหักถ้าไปสอนลูกตอนที่โตแล้วสอนไม่ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันโกรธกันดีไม่ดีอาจจะเลิกเลิกถือพ่อถือแม่ถือลูกกันก็มีก็เป็นเพราะว่าพยายามที่จะไปดัดไปสอนเขาตอนที่เขาสอนไม่ได้แนละ้วจะสอนได้ก็ที่ตอนที่เขายังต้องพึ่งเราอยู่เวลาเขาต้องทําอะไรกับเราอยู่ถ้าเราไปวัดเนี่ยเขาก็ต้องมาไปวัดกับเรา ให้เขาอยู่บ้านก็ไปวัดเขาว่าไปวัดดีกว่าอยู่บ้านแล้วมันเหงาอยู่คนเดียวหรือเราก็ให้อยู่ไม่ได้เราก็พาเขาไปวัดได้พาเขาไปทําบุญพาเขาไปนั่งสมาธิพาเขาไปฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ถ้าพามาบ่อยๆมันก็อาจจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาได้ทั้งทั้งที่ชาติก่อนเขาอาจจะไม่เคยมาวัดไม่เคยทําบุญทําทานไม่เคยมานั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งทํำสมาธิ แต่พอเขาได้เล่าการถุกผลจากพ่อแม่ต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาก็อาจจะทําของเขาเองต่อได้พอถึงเวลาว่างไม่รู้ไปไหนดีก็ไปวัดดีกว่าเพราะเคยไปวัดกับพ่อแม่อยู่เรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยไปไปวัดแล้วมันก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจนะอันนี้ผลที่เกิดจากเวลาที่เรามาเกิดแล้วเราได้คบกับคนดีคนที่ชอบทําบุญ คนที่ชอบทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาเกิดอยู่กับครอบครัวที่เขาไม่ทําบุญทําทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนามันก็เขาก็จะมีที่พลเปลี่ยนนิสัยเราได้เหมือนกันเรอาจจะชอบกินเหล้าเมายาเล่นการพนันรับชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบช่อกงด้วยวิธีการต่างๆหรือมีอาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิต มีมีอาชีพข้าเป็ดข้าไก่ข้าวัวข้าควายหนื้อข้าปลาอันนี้ถ้าเราไปเกิดในครอบครัวนั้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนเราก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเรามีนิสัยติดมาเป็นสันดานนี่จะเปลี่ยนยากถ้าเราเคอยติดเป็นสันดานชอบทำบุญมาตลอดไม่ว่าใครจะชวนไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่ไปถ้าอย่างนี้นะ่ะเป็นจะไปอยู่กับใครก็ไม่เปลี่ยนง่าย แต่ถ้าเป็นคนแบบกลางๆใครชวนไปทางไหนก็ไปอันนี้สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลแวดล้อมที่เราไปอยู่ด้วยนี้จะเป็นมีอิทธิพลต่อการกระทำบุญการกระทำบาปของเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเลือกคบคนเวลาที่เราจะคบคนนี้ให้คบคนฉลาดอย่าไปคบคนง่คนฉลาดก็คือคนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปนี่คนที่ง่ก็คือคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาป คิดว่าบุญบาปไม่มีตายแล้วสูญเพราะเห็นว่ามีแต่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกมองไม่เห็นมองไม่เห็นใจเพราะว่าใจเป็นของที่ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายนั่นเองใจนี่แหละเป็นผู้กระทําบุญและกระทําบาปโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปที่แท้จริงก็คือใจใจนี้จะเป็นผู้ที่ จะไปรับผลบุญผลบาปอย่างที่ได้แสดงให้ฟังบาปก็มีอบายสี่บุญก็มีสวรรค์หลายสามสี่ระดับด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลอันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเลือกคบคนถ้าเราได้คบคนที่ฉลาดเช่นได้คบกับพระอริยสงฆ์เนี่ยพระได้เจอพระอริยสงฆ์ ได้เจอพระพุทธเจ้าหรือได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ <Yeah. S 1> เป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะท่านเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่จะสามารถดึงใจของเรานี้ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองให้มีแต่ความสุขปร า, าศจากความทุกข์ได้และโอกาสที่เราจะได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ mm. ก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายได้ พระพุทธศาสนานี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคำว่านานนี้ก็คือหลายแสนล้านปีนะกว่าจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ไม่นานอย่างศาสนาพูดของเวืเราวนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 5,000 ปีตอนนี้เราก็อยู่มาเกินครึ่งทางแล้ว 2, ปีแล้วก็เหลืออีก 2,400 กว่าปี ศาสนานี้ก็จะไม่มีในโลกนี้คราวหน้าถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอาจจะเวลาอาจจะผ่านไปมากกว่าสองพันกว่าร้อยปีก็ได้ถ้ากลับมาเกิดนั้นในยุคที่ไม่มีพิษศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปกันเราก็ต้องอาศัยนิสัยที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นตัวนำพาไป เพราะฉะนั้นพยายามปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามาคอยดึงเรามาคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆไม่พยายามปลูกฝังให้มันฝังอยู่ในสันดานของเราให้ได้ปลูกฝังการชอบการทาบุญต่างๆทาบุญทาทานการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการฟังเทศฟังธรรม อันนี้เป็นบุญที่เราควรที่จะฝึกกันให้ามากๆทำให้ามากๆและส่วนบาปก็พยายามทำให้น้อยหรืออย่าทำได้เลยยิ่งดีก็คืออย่าไปเสพอย่าไปเสพอบายามุกเพราะอบายามุกนี้แ เ, เป็นผู้ที่จะผลักดันให้เราไปทำบาปต่อไปอย่าไปดื่มของมึนเมาไปดื่มของมึนเมาสุราหรือยายาเสพติดชนิดต่างๆเพราะจะทำให้เราขาดสติ พอไม่มีสติแล้วพอเกิดอารมณ์ไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาก็จะไปพูดไปทำไม่ดีทันทีเพราะไม่มีการยับยั้งชั่งตวงจิตใจไม่มีสติเป็นผู้คอยเตือนว่าทำไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ไปรักทรัพย์ผู้อื่นไม่ได้เป็นต้นถ้ามีสตินี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะเกิดมีอารมณ์คิดไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันว่าเฮ้ยตอนนี้กาลังคิดเรื่องไม่ดีนะอย่าอย่าไปทานะ ทำแล้วมีผลเสียหายตามมาเดี๋ยวต้องเดือดร้อนเดี๋ยวต้องไปติดคุกติดตารางถ้าคิดอย่างนี้แล้วถ้ามีสติมันโอกาสที่จะไปทําบาศมันก็ยากขึ้นพระเจ้าถึงทรงสอนว่าอย่าเสพอบายมุกอย่ า, ยาดื่มชรายาเมาส่วนอบายมุกอย่างอื่นก็เป็นการทําลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้หมดไปเพราะการเสพอบายมุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเสพ บ, บ่อยๆเสพมากๆเดี๋ยวเงินทองก็หมดเนื้อหมดตัว แต่การอยากจะเสพมันไม่หมดก็ต้องไปหาเงินทองด้วยวิธีมิชอบไปรักทรัพย์ไปคอร์รัปชันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเงินมาตอบสนองอบายมุข ค, ความอยากที่จะเสพอบายมุขต่อไปอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากใช้ของแพงๆของพวกนี้เรียกว่าอบายมุขทั้งนั้นเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องไปทำบาป พระเจ้าทงสอนว่าอย่าเสพอบา ย, ยมุขนะมีอยู่ห้าข้ออย่าเสพสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวอย่าอย่าเกียตคร้านอย่าคบคนที่ชอบอบา ย, ยมุขเป็นมิตรเพราะถ้าเขาถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเขาชอบสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันงั้นอย่าไปคบกับคนแบบนี้ เพราะจะดึงให้เราลงต่ำจะดึงให้เราต้องไปติดคุกในอาบายต่อไปแล้วก็อย่าทำบาปสี่ข้อนี้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงถ้าเราสามารถนัดหรือยับยั้งการกับทำบาปเหล่า น, นี้ได้โอกาสที่ใจของเราจะไปเกิดในอาบายนี้แทบจะไม่มีเลยพยายามฝึกให้เป็นนิ ส, สัยเพราะว่านายหน้าชาติหน้าต่อไปที่เรามาเกิดใหม่นี้ เราอาจจะไม่มีคนดีมาคอยสอนเราก็ได้เราต้องอาศัยนิสยัยสัญญาณที่ดีของเรานี้เป็นผู้พาเราไปด้วยการพยายามยึดมั่นในการละการกระทําบาปพยายามฝืนจิตฝืนการกระทําบาปทุกครั้งไปให้ได้แล้วต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วพยายามบังคับให้ทําบุญทุกรูปแบบให้ได้มีโอกาสทําบุญทําทานได้ก็ทําไป มีโอกาสไปรักษาศีลนั่งสมาธิได้ก็ไปมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เจริญวิปัสสนาภาวนาก็ทําไปของเหลานี้พยายามทําให้มากๆทําให้บ่อยๆ ย, ยิ่งทํามากยิ่งทําบ่อยมันจะก็จะฝังเป็นนิสยัยเป็นสันดานต่อไปแล้วถ้าเราอย่างไปไม่ถึงพระนิพพานเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีนิสัยสันดานที่ดีที่จะคอยผลักดัน ให้จิตใจของพวกเรานี้ขึ้นไปสู่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับจนกว่าเราจะไปถึงขั้นสูงสุดได้อันนี้อยู่ที่การที่เรามาทบทวนการกระทาของเราในแต่ละปีทุกสิ้นปีเรามาทบทวนกันสักครั้งก็ยังดีว่าปีนี้เราได้ทำบุญทำบาปอย่างไรมากน้อยกว่ากันให้ดูบัญชีบุญบัญชีบาป ถ้าติดลบก็ต้องรีบนะต้องรีบทาให้ทาบุญให้มากขึ้นแล้วพยายามละการทำบาปให้น้อยลงให้ได้อย่าปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยเพามันจะมันจะดึงให้เราไปตามนิสัยจะทำให้เราไปทำมากขึ้นถ้าเราทำบาปเป็นนิสัยมันก็จะพาให้เราไปทำบาปมากขึ้นแต่ถ้าเราทำบุญมันก็จะดึงให้เราไปทำบุญให้มากขึ้นอันนี้แหละเป็นพิธีเป็นผู้ที่จะมากาหนดกัน ชะตาชีวิตของพวกเราต่อไปในอนาคตในอดีตนี้เรากลับไปย้อนมันนับเราไปแก้มันไม่ได้แล้วอดีตมันผ่านมาแล้วเหตุที่เราทำในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปนี้มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วผลที่มันถ้ายังไม่เกิดมันก็จะเกิดต่อไปแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญทำบาปของเราในปัจจุบันนี้ การกระทาของเราในปัจจุบันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลดีหรือผลเสียกับเราในอนาคตถ้าทาบาปมันก็จะทำให้เกิดผลเสียเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียต่างๆถ้าทาบุญก็จะได้ผลดีได้ความสุขได้ความเจริญทางด้านดวงวิญญาณของเราในทางภพชาติของเราเราก็จะไปเกิดที่ดีมีความสุขมากกว่าความทุกข์อันนี้เราต้องมาสารวจดู ก็แล้วกันว่าวันนี้วันสิ้นปีแล้วว่าเราควรจะทําอะไรเพิ่มหรือควรจะลดอะไรถ้าลดบาปลงได้ก็ลดนะถ้ายังทําบาปอยู่ก็ลดลงถ้าทำบาปถ้าทําบุญอยู่ยังทําไม่มากก็ทําให้มากขึ้นบุญมีสาม ร, ระดับทําบุญทําทานด้วยข้าวของเงินทองทําบุญด้วยการรักษาศีลแปดนั่งสมาธิไปบวชแล้วก็ทําบุญด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนา อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสําคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีอยู่หรือทำอยู่กันเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทําอยู่เช่นลาบยศสารเสริญทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินใช้ทองจากการได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่มีผลตามตามเราไปมันไม่ตามเราไปเมื่อเราตายไปแล้ว ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายจะยุติลงในขณะที่ร่างกายสิ้นชีวิตจะไม่ตามเราไปแต่สิ่งที่จะตามเราไปก็คือผลของบุญและผลของบาปที่เราได้ทํากันไว้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้ความสําคัญต่อการทําบุญ ต, ต่อการลาบบาปอันนี้แหละเป็นกิจที่เราเพึงกระทํากันอย่างยิ่งมากยิ่งกว่ากิจอย่างอื่น เพราะว่ากินอย่างอื่นมันมีผลชั่วคราวแต่กิจที่จะมีผลถาวรต่อจิตใจของพวกเราก็คือการทําบุญทำบาปนี้เองก็เป็นข้อคิดที่เอามาฝากท่านในวันนี้ในวันสิ้นปีก็ขอให้ท่านจงนําเอาไปพิจารณาเพื่อและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจตามลําดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผรอยะถ า, าวะรวาหาปูราติตุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานาังอุ ป, ปกา ป, ปติออชิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิชตะตุสับเพตุเรนตุสังกะปา ยันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมวัฏานติ อายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่แรกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีทาอะไรอย่างอื่นต่อนั้นถ้าอยากจะถามอะไรถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว ถ้าไม่อยากจะถามเนงก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 352หท่าน YouTube 254หท่าน YouTube Dr. V 111หนึ่งท่านวิทยุออนไลน์8ท่านค l ับเ o า s e 16ท่าน น้ากติร้อยเก้าสิบเก้าท่านรวมทั้งหมดเก้าร้ยสี่สิบท่านครับพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์ค่ะจะถามว่าเวลาพูดดังๆหน่อยเวลา น, นั่งสมาธินะคะมันมีจิตดับไปค่ะจิตไม่ได่ดับกรอสติดับมากกว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็เสดเสดหมดมั น, ม น, นดับแล้วรู้สึกอีกทีมัน มันหลับมันดับนานมากเลยค่ะสติมันหลับหลับเหมันไม่ได้ดับจิตไม่มีวันดับไม่มีวันเกิดเหีุเดียวตัวที่ให้มันรับรู้มันไม่ทางานคือสติมันก็เลยเหมือนเหมือนกับมันดับไปถ้ามีสติมันจะรู้ตลอดเวลารู้ว่าจิตสงบหรือไม่สงบถ้าไม่รู้อะไรเลยมันก็แสดงว่าหลับเหมือนตันเรานอนหลับไม่ต่างกัน ไม่ต่างสติเรามีกําลังน้อยต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งพยายามพุโทโธไปทั้งวันไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลอะเปื่อยแล้วต่อไปเวลานั่งมันจะไม่หลับมันจะรู้ตัวตลอดเลลวลาให้เป็นสติสัมปชัญญะคือสติต่ตอเ น, นื่องสติไม่เผลอสติไม่หลับมันต้องฝึกสติให้มากๆหน่อย เลยวิธีก็ไปนั่งที่มันน่ากลัวที่ไหนนี่น่ากลัวมันจะไม่ค่อยหลับ <c oughs> ป่าชา้าหรือในป่าหรืที่มีสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพระต้องไปอยู่ที่อย่างนั้นกันคนที่อยากจะได้ผลต้องไปที่นั้นเพราะมันอ่าสติมันจะตื่นเลยย่าตื่นตัว แ, แลอดจะระมัดระวังซ้ายขวาถ้าอยู่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวก็หลับคอพับ นะโอเคนะเข้าใจหัหยคุณ่าคำถามจากน้ากุดค่ะถ้าเราทำโรงทานแต่ไม่ได้ไปเองส่งเงินไปร่วมเราจะได้บุญเท่ากับที่เราไปเองไหมคะออการถ้าไปเองเราก็ได้อย่างเราได้ไปช่วยงานด้วยถ้าเราไม่ได้ไปช่วยงานเราก็ได้เพียงแต่บุญได้ที่เราเสียสละเงินทองไป ถ้าไปทำเองด้วยก็ได้ไ ด, ได้ได้ความเพียรได้การกระทำได้มีการสร้างวิริยะบาะมีแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปเราก็ฝากเงินไปเราก็ได้ทานบามีอย่างเดียว ทำถัดไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเราจะสงบอย่างไรเมื่อบุพการีติดเหล้าเมาแล้วมีเหตุอร า, ารวาสพยายามสงบใจไม่ให้โกรธทําได้แป๊บเดียวและไม่อยากมีเวรต่อกันไปในภพชาตินอื่นอีกก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรนี่มันเป็นเรื่องของเขาเพราะเขาก็โตแล้วเขาก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแล้วเขาจะเลือกทําสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไป เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ดังเราก็ต้องหัดทําใจเหมือนกับเราทําใจกับดินฟ้าอากาศเนี่ยฝนมันจะตกเราก็รู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปเท่านั้นเองคนจะกินเหล้าเมาก็ปล่อยมันกินไปฮนะก็ะเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของเราขอให้เราอย่าไปเมากว่าเขาก็แล้วกัน <laughs> คำถามถัดไปจาก <c oughs> จาก t u b e นะคะจากคุณนักคิดพิชิตหวยกราบนามั ส, สการท่านพระอาจารย์กระผมขอเรียนถามปัญหาธรรมะคนที่เขาถูกหวยบ่อยๆเขาทำบุญด้วยอะไรครับเขใส่บาตรนี่ครับคนที่ใส่บาตรบ้านเพล่นนี่เขาเอกถูกหวยกันเยอๆนะๆส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การทำบุญใส่บาตรเนี่ยก็ถึงนิยมใส่บาตรกัน คำถามข้อที่สองนะคะคนที่ทําทั้งบุญทั้งบาปเวลาใกล้ตายควรตั้งจิตไว้อย่างไรจะได้ไปสวรรค์ครับอ๋อมันตั้งไม่ได้แล้วตอนนั้นเพราะบุญกับบาปมันจะเป็นตัวตั้งให้เราเั้นต้องมาฝึกตั้งแต่ตอนนี้ก่อนแต่ถ้าเราถ้าเราฝึกสติได้เราก็จะได้บุญระดับสติได้บุญระดับพรมโลกได้ฌานแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนจะไม่ตั้งตอนนั้นมันตั้งไม่ได้แล้วต้องมาตั้งตั้งแต่ตอนนี้ คำถามถัดไปจากคุณเดอร์มาโฮลิกค่ะถ้าทำอะไรไปแล้วเรารู้ว่าเราไม่มีความคิดเราอยู่แค่เราแค่อยู่กับความสงบไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องดูร่างกายได้หรือไม่คะถ้าสงบได้ก็ไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้ก็ไม่ต้องใช้อะไรกลัวจะไม่ได้เลยเดี๋ยวเห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมา คำถามถัดไปจากท่านเดิมนะคะในชีวิตเราอาจอยู่กับสติหรือสมาธิหรือปัญญาก็ได้เคลืนกับสถานการณ์ใช้หรือไม่เจ้าคะขึ้นอยู่กําลังของเรานะว่าเราจะใช้ใไ ด, ได้หรือไม่ได้สติมันง่ายกว่าปัญญาถ้าไม่มีสติไปใช้ปัญญาไม่ได้ยังไงก็ต้องหัดใช้สติให้ได้ก่อนเราถึงค่อยไปใช้ปัญญาต่อไป ถ้าใช้ปัญญาได้แล้วก็ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สติสมาธิก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไปก็ได้คำถามถัดไปจากคุณแบมแบมถ้าคนสั่งฆ่าวปูเพื่อทำเป็นอาหารแล้วคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคนสั่งแต่กินเนื้อนั้นในกรณีรู้เห็นจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีส่วนร่วมไม่ได้ไกระซิบคนสั่งมาให้ช่วยสั่งอันนี้ให้หน่อยหนะ่อยเขาขายเขาสั่งมาเรามีหน้าที่กินก็กินไป เหมือนพระเนี่ยโยมใส่บาตมาเนื้อสัตว์ที่โยมไปซื้อมาใส่บาตไม่รู้เป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเนื้ อ, อ, อ, อตายเราก็ไม่รู้ละเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยคําถามถัดไปจากคุณพรมได้ขีดคะ่ะกราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์ผมขอเรียนถามปัญหาธรรมะตารวจยิงผู้รายตายเพื่อป้องกันตัวเขาจะบาปหรือไม่ครับบาปมันมีหนักมีเบาไงบาปมันมีหลายหลายระดับด้วยกัน ฆ่าคนที่มีบุญคุณนี่มีบาปหนักกว่าฆ่าคนที่ไม่มีบุญคุณยิ่งไปฆ่าคนที่มีโทษยิ่งบาปน้อยหน่อยเพราะมันอยู่ที่คนที่เราไปฆ่าหรือสิ่งที่เราไปฆ่าว่าเขามีบุญคุณมากน้อยเพียงไรถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระทหารเนี่ยถือว่าบาปหนักเพราะท่านมีพระคุณมากแต่ถ้าไปฆ่าโจรผู้ร้ายหรือถ้าเราเป็นทหารเราไปฆ่าฆ่าสิ่งศัตรูอันนี้บาปมันน้อยกว่าแต่มันก็ยังมีบาปอยู่เหมือนกัน คำถามจากคุณพงพันธ์ค่ะกราบนมรมสการครับวันพรุ่งนี้สิทจะทดลองปฏิบัติด้วยการนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องคนเดียวโดยไม่ข้องแวะและทําภารกิจใดๆเป็นเวลาหกชั่วโมงขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําสิ่งที่ควรทําและไม่ควรในระหว่างการปฏิบัติด้วยครับก็ตอนนั้นก็ไม่ให้ใช้อะไรที่เป็นของนอกกายนอกใจไม่ให้ดูหนังสือไม่ให้เปิดมือถือหรือทําอะไรต่างๆให้อยู่แบบไม่มีอะไร เราก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้การสวดมนต์ใช้พุทโธอะไรไปคอยกำกับใจไม่ให้นิ่งคอยควบคุมความอยากอยู่เรื่อยๆถ้าจำเป็นจะต้องลุกก็ลุกขึ้นยืนได้ถ้านั่งแล้วมันเมื่อยอันนี้ไม่ต้องการทรมานน่างกายต้องการทรมานความอยากไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่ที่เดียวแล้วถ้าต้องปัสสาวะก็ ถ, ถ้ามีกระโถนก็เอากระโถนมาวา ง, างไว้ข้างๆถ้าหิวน้าก็เอาขวดน้ำนมาวา ง, างไว้ข้างๆ เขาบอกต่อไปนี้จะนั่งวันละหกชั่วโมงดูสบายนั่งให้นั่งสบายแต่ห้ามหลับนะห้ามหลับด้วยหลับไม่ได้ต้องตื่นตลอดเวลาจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้ถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนยืนแล้วหายยืนแล้วเมื่อยก็เรากลับมานั่งได้ จะใช้พุโทโธก็ได้จะดูลมหายใจก็ได้จะพิจารณาอาการสารสองของร่างกายก็ได้ทำอะไรที่อยู่ในวงของการปฏิบัติได้อยู่ทั้งนั้นแต่ห้ามไม่เอาของภายนอกมาเป็นที่พึ่งไม่ให้เอามือถือมาเปิดดูเพราะนั้นก็จะอ้างว่าดูธรรมะดูไปดูมาเหมือนการเป็นธรรมเมาเหมนห้ามดูทุกอย่างที่เป็นของนอกกายนอกใจเราเราจะใช้ของที่มีอยู่ในใจเราสู้กับความอยากของเรา คำถามจาก Facebook ค่ะจากคุณทิติชยาระดับพระโสทาบานยังมีข้อสงสัยในธรรมหม่เจ้าคะมีก็ยังไม่หมดอย่างยังมีมีธรรมที่ยังปิดขาดอยู่ก็คือการมาร า, า่ะปฏิฆะแล้วก็สังโยชน์เบื้องบนอีกอันนี้ก็ต้องไปทำข้อสอบเหล่านี้ต่อไปต้องต้องไปศึกษาทำการบ้านดูก่อนว่าเป็นอะไรเราจะแก้ไขได้อย่างไรถ้ามีอาจารย์ก็จะไปได้เร็วกว่า ถ้าไม่มีอาจารย์ก็ต้องแกะไปเรื่อยๆเท่าเล็กเท่าน้อยค่ะคําถามจากคุณแบมแบมถ้าถือศีลเองแต่ยังเลือกกินของที่ชอบอยู่จะผิดไหมคะก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าศีลไม่ได้ห้ามาห้ามให้ไม่ให้กินของที่ชอบนีแล้วถ้าบอกแม่ว่ามาปฏิบัติแม่ให้เงินมาสนับสนุนแต่ยอมรับว่ายังปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างมีแพ้กิเลส เช่นกรณีข้างต้นจะบาปไหมคะไม่บาปเพรันก็เรื่องการรับประทานอาหารนี้มันเป็นถ้าเราไปเลือกก็เป็นกิเลสถ้าเราปฏิบัติเพื่อต้องการเอาชนะกิเลสเราก็ต้องไม่เลือกกินตามมีตามเกิดไปแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปเป็นการแท้กิเลสคำถามจากเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณออดี้ กราบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าญาติพี่น้องสร้างแต่ความทุกข์ให้เราทั้งกายวาจาใจทําผิดต่อเราซ้ําๆโดยเราพยายามให้อภัยแต่ถึงตอนนี้เราไม่อยากยุ่งกับญาติพี่น้องอีกแล้วคือเราปล่อยวางเราจะเป็นเหมือนคนใจดํำไหมคะสาธุ ค, ค่ะไม่หรอกเราก็ไปอยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาไปนั่นเองแต่ถ้าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้า เ, าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือไปถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขานั่นนหะถึงเรียกว่าเราเป็นคนใจดำํำ แต่ถ้าเขาอยู่สุขสบายดีก็ไม่เดือดร้อนเขาไม่ต้องการความต้องความช่วยเหลืออะไรจากเราก็าต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นทุกข์ก็อยากไปอยู่ด้วยกันเลย <c oughs> คำถามผัดไปจากคุณวาทีขอโอกาสครับมีสํานักหนึ่งท่านสอนว่าให้ดูจิตให้รู้อาการของจิตเช่นทุ ก, ก็รู้ว่าทุกโมโหก็ให้รู้ว่าโมโหแต่ไม่ให้ไปแทรกแซงอาการที่เกิดขึ้นให้ดูเฉยๆท่านสอบแบบนี้มาถูกทางไหมครับถ้าทำได้ก็ดีเลยถ้าโกรธ ก, ก็เฉยๆได้ถ้าโล่งก็เฉยๆได้กลัวมันทำไม่ได้เลถ้าไม่มีเครื่องมือทาให้ใจเฉย เรื่องมือที่จะทำให้ใจเฉยก็คือสติหรือพุโทโธเวลาเกิดความโกรธแล้วใจมันดิ้นละมันจะมันอยากจะทำไรลแล้วเราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันถึงจะเฉยได้แต่อยู่ดีๆมันจะเฉยไม่ได้ถ้าเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนคำถามถัดไปจากคุณกุลาบค่ะ กลับสอบถามค่ะลูกไม่ได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ลูกสั่งอาหารไปถวายเพลนที่วัดและให้แม่ไปจัดการให้อย่างนี้ครอบครัวได้บุญด้วยหรือไม่เจ้าคะเจ้าของเงินได้บุญใครเป็นเจ้าของเงินคนนั้นก็ได้บุญค่ะคำถามจากคุณเดอร์มาโฮลิคค่ะหากจะปลีกเวกแล้วคนที่เราต้องดูแลไว้กับคนข้างหลังจะได้ไหมคะถ้าเขาได้เท่กันดูแลเท่ากับเราดูแลก็ใช้ได้เหมือนกัน เหมือนพระพุทธเจ้าไปบวชก็มีคนดูแลลูกเมียแทนพระพุทธเจ้าได้แทนก็ไปได้จากขั้นเดิมค่ะจากที่พระอาจารย์ให้คําแนะนําเมื่อสักครู่ที่ที่ปฏิบัติอยู่ในที่เดียวก่อนที่เราจะสลับอิริยาบถไปยืนหรือเดินเราควรนั่งสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่เราจะไหวหรืออยู่กับเวทนาให้นานที่สุดก่อนใช่ไหมเจ้าคะท่านทําได้ก็ดียิ่งสร้างความอดทนยิ่งสร้างสติให้มากขึ้น ถ้าเราทนอยู่กับความทุกข์ได้นานขึ้นถ้าเราทนนั่งเนินานขึ้นก็แสดงว่าสติเรามีกําลังมากขึ้นถ้าเราลุกลี้ลุกโน่นนั่งสองนาทีลุกสองนาทีนี่มันก็แสดงว่าสติไม่ค่อยมีกําลังสู้วความอยากไม่ได้ค่ะจากคุณมินสุดารัตค่ะ กลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าคุณแม่ชอบชวนดูทีวีแต่เราไม่ชอบดูการละเล่นไม่ดูทีวีนานแล้วแต่ถ้าแม่ชวนแล้วเราไม่ดูด้วยบางทีแม่น้อยใจควรทําอย่างไรดีคะถ้าอยากยอมใจแม่ก็ไปดูกับแม่ก็แล้วแต่แต่เราก็อย่าไปาอย่าไปมีอารมณ์กับการดูเวลานั่งดูไปเหมือนตุ๊กตาใ จ, ใจเหมือ่อยใจลอยไปมีแต่กิริยาของการดูแต่ในใจเราก็พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ หรือพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่อง อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็ได้แต่เมื่อยังต้องทําบุญกับแม่อยู่ทําทให้แม่มีความสุขก็ทําไปเพราะเราอยากจะให้แม่มีความสุขอย่างนี้ก็ไม่เสียหายอะไรค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าขอให้ไปดูบ่อยๆก็อยากอยู่ด้วยกันดีกว่าเขาจาบอกให้เลือกอยู่คน อยู่กับคนที่เขาดึงเราลงต่ําก็อย่าไปการไปเสบลูกเสียงกลิ่นลดนี่เป็นการลงต่างําอยู่กับคนที่ไปนั่งสมาธินี่เขาจะดึงเราขึ้นสูงกว่านนี้เราก็ต้องรู้จักเลือกคนเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องแยกก็ต้องแยกเพื่อความเจริญของเราถ้าอยู่กับเขาเขาก็จะดึงให้เราติดอยู่กับในระดับของเขาต่อไปพระอาจารย์สอนให้เลือกคบคนเสถวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนา อย่าคบคนง่ให้คบคนฉลาดอันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิตอันนี้วันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ